มีปัญหาต่บตัวเองและคนอื่นจำเป็นเราต้องปฏิบัติธรรมเพราะเรามีอะไรที่เกี่ยวข้องโดยการกับตัวเราบ้างกับคนอื่นบ้างกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นบ้างเรียกว่าวัตถุอาการต่างๆมันมีอยู่ปฏิเสธไม่ได้ในตัวเรานี้ก็มี สภาวะที่หลงมีสภาวะที่รู้มีสภาวะที่สุขมีสภาวะที่ทุกข์มีสภาวะที่ไม่สุขมีสภาวะที่ไม่ทุกข์มีของเป็นคู่มีของเป็นขี้ของเป็นขี้หรือว่าผมมาจันของเป็นคู่หรือว่าลดของโลกสุขกับทุกข์เป็นคู่กันไม่สุขไม่ทุกข์ ไม่มีคู่บริสุทธิ์อันนี้เราว่าเราก็มีอยู่ปฏิเสธไม่ได้บางทีก็หลงไปในความสุขความสุขกลายเป็นความสุกความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เหมือนล่้งเงาของก้อนเมฆลาก้อนเมฆบังดวงอาทิตย์ก็มีบดล่มกลางว่าง เวลาก้อนเมฆออกจากดวงอาทิตย์ก็มีร้อนฉุกทุกมันไม่ใช่ตัวใช่ตนตป็นแต่อาการที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนแต่บางคนอาศัยสิ่งเหล่านี้ฝากไว้กับสิ่งเหล่านี้อาศัยความสุขเกลียดความทุกข์มันก็ไม่สำเร็จสักทีถ้าเรามาศึกษาดูปฏิบัติดูระหว่างความสุขความทุกข์ ละมีสติเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์มาจะมีอีกโลกหนึ่งกับชีวิตของเราไม่ใช่จะมีแต่สุขแต่ทุกข์เท่านั้นมามีอันไม่สุขไม่ทุกข์อยู่มันก็จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมเอาพระเจ้าตรดสรูขึ้นมาพร้อมด้วยพระธรรมคำสอนพอเห็นเรื่องนี้จิงไหนที่ ขี้เลี้วพระองค์เขียนบอกหมดแล้วเร่งไหนที่คว่ำเปิดหงายแล้วเร่งไหนที่ปิดเปิดออกแล้วเร่งไหนตรงมืดส่องแสงสว่างในที่นั่นแล้วเร่งไหนที่หลงออกให้คนหลงทางแล้วอะไรที่เป็นโทษอกเป็นภัยพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดเมื่อลองตาไปอยู่สรลัด ไปเที่ยวลัดต่างๆลางแห่งเขามันมีพัยงูพิษแถวเอแถวเนี่ยถ้า ต, ตรงไหนมีพิษมีสัตว์มีพิษมีงูงูพิษแล้วก็ลอกลวดหนามไว้ไม่ให้คนเข้าไปเพื่อมันจะมีอันตรายเอีงรถเป็นหลายชั่วโมง เห็นส่วนที่เขาไม่ให้คนเข้าไปในป่างูพิษมันมองไม่เห็นมันอยู่ใต้ดินมันเอาหัวมันขึ้นมาจะล่าสัตว์บางทีเราหางมันขึ้นมาล่าสัตว์ถ้าตวประเภทใดมันเห็นถางมันกระดิกติ๊กๆิ๊กเว่ามาแรง แล้วก็ไปกลับไปยินก็กัดเอาเป็นอาหารมันคนไม่ค่อยสังเกตก็อาจจะถูกงูพิษกัดยัลงล่องรั่วไว้ป้องกันไว้ไม่ให้คนเข้าไปมันเหอันแตลายแน้แต่เข้มต่างๆที่พักต่างๆที่เขาจัดเป็นแช่มให้คนไปพักทนในป่าใน ด, ดง แล้วก็จัดให้ปลอดภยัยไม่มีเห็บกวงเยอะแล้วก็ไปพ่นยาปราบเห็บกวงในรถสมัยที่ปลอดภยัยก็ลาดปูนไว้เป็นแฉ้มเป็นแฉ้มเป็นจุดเป็นจุดให้คนไปกลางเต้นนี่ได้ว่าเพื่อความปลอดภยัย ควางตายรถชนข้างถนนวันละหลายตัวตามถนนสายต่างๆเพราะควงมันเยอะไม่ให้คนกินให้คนชำแหละเนื้อถ้าคนจะกินเนื้อสัตว์ต้องผ่านกระซวงสารสกมาตรวจสอบก่อนจึงชำแหละเนื้อได้เราก็ไม่ตรวจเวลาควางตายก็ไม่ลดกลมทางมาแล้วโคมายกไป แล้วก็เอาแม้โคขดลงฝังส้างถนนอันนี้เขาป้องกันสวรรค์เจ้าเสมือนกับสาณสุขนั่นแหละป้องกันไม่คนตกไปตนที่ชั่วตกไปในความพุกแล้วมันอันนั้นมันเป็นภายนอกป้องกันอาหารป้องกันที่อยู่อาศัยป้อ ง, ก, องกันเครื่องกินเครื่องใช้อันนั้นเป็นปัจจัยภายนอก ส่วนปัจจัยภายในคือกายคือใจเราเนี่ยเราจะป้องกันอันนั้นม่นดีขนาดไหนแต่ว่าความสุขความทุกข์ความหลงความโกรธความโลภพิเรนตัญหาภัยยังมีอยู่กับชีวิตเราในกายเรานี่ในใจเราเนี่ยเราจึงมาปฏิบัติธรรมฝึกตนสอนตนเตือนตนเวลามันผิดก็เตือนตนแดงให้รู้ โดยเพราะภาวะที่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นสากลตัดไว้ดีแล้วอะไรก็ตามที่เกิดกับกายกับใจมีตัวรู้สึกตัวสภาพที่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นธรรม้ามีรู้สึกตัวมันก็เฉื่นความหลงงดออกไม่ต้องไปทำอะไรง่าย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 ชีวิตของเราต้องฝึกตนเองให้เป็นนิสัยไม่ใช่การกระทําภายนอกอย่างเดียวภายในด้วยมีนิสัยด้วยใจชีวิตเหมาะสมกับรรมกับสมงติกับบัญญัติกับปัตถุอาการต่างๆให้เหมาะสมทำกับสิ่งใดไม่เหมาะสมประมาทดเดียวก็ผิดพลาดได้ จิงหัดให้เป็นนิสัยอะไที่ไม่ดีไม่งามอยู่ในกายในใจเรานี่ก็รู้หยาบหยาบไปหาละเอียดความโกรธมันหยาบอันนิสัยมันลึกกว่านั้นบางทีความโกรธหยาบมากจะไม่รู้บางคนโกรธไม่รู้แต่โกรธไปตู้ทงผิดมันหยาบคลายจะแย่งออกดา่ดากัน เร่งก็หากันทำลายกันมันหยาบขนาดมองไม่เห็นมันเดิองมองเห็นก็วิ่งกันหนีแต่บางคนน่ะถ้าฝึกแล้วพอมันกเกิดความโกรธขึ้นชี้ขึ้นมามันรู้แล้วมันจะแดงออกมาได้มันควบคุมแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นจึ่งที่ชั่วร้าย ม, มีนิสัยแล้วจึงขัดใจรู้ ว้อให้หมีนิสัยอะไรก็ตามที่มันจะไม่ใช่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรต่างๆไปหัดให้มีสติเจะไปเกี่ยวข้องอย่าประมาทในความสุขอย่าประมาทในความได้ความสะดวกสบายบางทีมันก็พาให้หลงได้บางทีติดสุขติดได้ก็มี อะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็ติดการได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องไม่เสียเมื่อเสียแล้วก็ไม่ก็อพอใจสมัยลงตากิจวัตรบางเลยมีพระโลกดังเป็นเจ้าคนไอที่เลกกับลาบเยอะแยะมีช่างสีเชือกในบ้านพักเป็นโรงแรมมีนา ท่านคิดว่าจะต้องมีทั้งสองอย่างฐานะทางซอัพสมบัติก็ให้มีสถานะทางศีลทางตามก็ให้มีได้ศาลาไม่รั่วฉีหลังในวัดนั้นโบก็ใหญ่โตกว่าโบกคนอื่นก็ามีแต่ไ ร, ไรยย า, ายได้ไแตงไหนเร่ทองคำอยู่หาทายแม่น้าของคนไปล่อนและทองคำ เจ้าคุณรุนี้ก็ไปนั่งอาบาดวางไว้กับชาวบ้านที่ไปล่อนแอ่ชาวบ้านได้แร่ก็มาใส่บาตรแบ่งกันกันก็ได้แล่ทองคำมาแต่เป็นเงินเป็นทองที่เข้าวซื้อของเลวตาเคยไปจ้างช่างมาลากไม้ขึ้นห้วยแต่หมยอยู่พุทธยาน เอาออกให้ไม่ให้ในห้วยไม่ท่อนใหญ่อยู่ในห้วยเลยจ้างญาติโยมอุทยกไปจ้างช่างเจ้าคุณงานสองเชือกเลยอดันพ่อนไมยขึ้นห้วยไปเห็นช่างลากทรงเราสงสารมันจนขีช่างควัญช่างเขาไม่หลงตาเตือนดูวัน มันน้อยใจถ้าเราไปโอ้น่าสงสารมันจะไม่ไปเลยนันให้บอกไม่ให้พูดตัวใหญ่เวลามันดันท่อนทรงหมดเข้าทัวเท่ากังปั้นมันหนักว่าที่เจ้าคนหลกนี้มีประดบหลัางงามอยู่ฝั่งแม่น้ำลเลยแล้วก็น้ำไหลสาะเขือ่อนฝั่งพังเข้าไปจะถึงโบด ต้นโพด้าโหดพ่นลงไปแล้วจะน้ำหลากมาฝังมเลยไม่ไปอยู่นิ่งมันเป็นนินสายมันเคลื่อนไปเรื่อยเจ้าคนนก็ไปตัดได้มาทำเขื่อนในป่าสงวนหนังชาติเขามาทำเป็นเสาเขื่อนกันน้ำไหลต่อนดีถูกตำรวจก็จับมว่า ทำลายป่าก็เสือเงินเสือทองชาว่านช่วยก็ชิดมากเป็นประสาทมีแต่ได้พอเสียเราทำใจไปได้เลยเสียใจมากเป็นบ้าไปเลยบ้าไม่ฟื้นเลยเสยวผู้เสียคนไปเลยพอมีแต่ได้มันก็สุกอะไรก็เอาอะไรก็เอา รู้สุกก็ประสาทไปก็ป่วยไปแล้วตายไปแล้วตาเคยไปดูน้องอยู่ก็ดีเฉยๆเดินเข้าไปในบ้านปล่อยผ้าปล่อยผ่อนเนินไปในบ้านวัดกูอยู่สอยวัดกูอยู่น้อยว่างก็หามาส่งใ น, นวัดความเป็นมาาเลยนะเดินหนีจากวัดไปวัดกูอยู่น้อย หลงวัดแล้วไปทางไหนหละ่ะเดินเข้าไปในบ้านในูุดตายเลยพอตายเข้าไปเลวตาก็เป็นพระสงฆ์เป็นกรรมการไปดูชอบสุนทั้งหลายจวรเนี่ยท่วมหัวก็ไม่เกียจไปเนี่ยเป็นปิ๊ บ, บไม่เคยแจกให้ใครไปยกจวรหนอง มันทับกันนานจนยกออกเ่าจนจนขาดไปเลยเสียดายไม่เคยแจกไข่นี่แต่ได้อันตรายนะแต่ได้กับเสียมันคู่กันอยู่อย่าไปยินดีกับความพอใจอย่าไปยินไล่กับความไม่พอใจปฏิบัติธรรมอย่าไปหลง มันก็ต้องมีอ่ะมีได้มีเสียมีุกมีทุกข์บางทีมันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้ถ้าเรารู้เป็นปัญญาแล้วก็เห็นอยู่กับตากับชีวิตของเราอยู่ฉกทุกข์ผิดถูกได้เสียยิ่งเรว่ดปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ ไ, ดไม่ดีอ่ะมีเหมือนกัน มีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เป็นคราวาจาโยมจบเป็นครัมามาไปชื่อเสียงมาสมัครสอจอด้สจอจสองสมัยผู้น้อมในเขตนั้นเอาไปมาก็เห็นว่าทางโลกสำเร็จผลแล้วทางทางธรรมมาบวชในพุทธศาสนาสร้าง เกดีใหญ่เอาเงินไปหลายล้านสําเร็จสร้างโบสถ์สองใหญ่สองชั้นเอาเงินไปหลายล้านสําเร็จสร้างมณโกใส่พระพุทธรูปเอาเงินไปหลายล้านสําเร็จอะไรก็สําเร็จหมดมานะปฏิบัติธรรมเอาเรื่องได้เอาเรื่องสําเร็จมาต่อรองมีเท่าเนี้จะเอาให้สําเร็จพอมางปฏิบัติธรรมก็ สำ เ, เร็จไปปฏิัติธรรมวัดหลงพ่กรมเนี่ยอ่าเรียกหลองตาไปดูอห้ อ, อาจารย์มาดูหน่อยแล้วก็ห่มผ้าดูผมที่อาจารย์ผมไม่เหมือนเก่าแล้วนะห่ผมผ้าขึ้นกล้ดูผมสิเราก็ดูอะไรมันเป็นไรเอ้าไม่เห็นเลยไหนดอกวัวเต็มตัวผมหมดเลยเอาผ้าวางออก เพ่งไปก็อเอาขึ้นมาก็เป็นดอกปัวเห็นไหมปะก็หลงแล้วไปเราก็ไม่บอกว่าไม่มีก็ไม่ว่าก็าพูดไปอ่าไปเป็นดอกปัวไปเป็นทองคําก็ช่างมันเถออย่าไปหลงไม่มีสติดึงออกมาเอาขนาดนี้ยังไม่มองเห็นเลยเนะี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้ว ไม่รู้อย่างนี้จะเป็นอาจารย์สอนได้ยังไงแต่าบาคคณธรรมไม่ถึงผมแล้วเอาฉินล่าป่านีวิเศษขึ้นมาแล้วเ้วก็พยาย้มแู่อยูยวัดวัดอะไรหลวงพ่อกองจตุรัสหลงพ่อใหญ่เนี่เปิดปฏิบัติธรรมกาไปปฏิบัติอาารก็หลอกไปกลัวจะ สั่งวันอากาศให้ไม่ดีรูดยามดึงออกก็มายอมออกเอาออกได้เล้ ห, หน่อยก็ดูแรงตลอดเวลาเดินไปไหนเหมือนดอกปัวลองรอบไปแล้วเห็นพระเจ้าเดินอยู่บนดอกปัวคิดเบารคงจะได้ขนาดนั้นเบาไปเลย เหมือนไม่มีการเหยียบพื้นดินเลยมีต่อร บ, บัวรองรับไปเสร็จแล้ ว, แ ล, วแล้วก็ชวนไปบาร์เบอป่ะดีแล้วกลับบาร์เบอเราไปนั่งรถไปพราจะถึงบาร์บารเบอร์้องตาก็แยกไปคอนเสิรเอา้าว่าจะไปบาร์บารเบอร์ทำไมแยกไป่อนเจนิรเอา้าไปไหนก็ได้เราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เรา ที่มันเป็นอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปยึดมันถือมันมันมันเป็นดอกบวมันจะเหาะเห่อเดินขาดอย่าไปยึดมันไปขอนเจนิญไปพาไปขอนเจนิญพาไปไปอยวัดโมกขอนเจนิญถ้าไปบรุระเบือจะไปโกชังเลยไม่ไปหาใครพาไปวัดโมกขนเจนิญโอยสอนก็นอยอะจงค่อยคืนมามัน เจ้าให้ได้ก็ได้จริงๆนะตาได้ก็เสียใจจริงๆนะไม่ใช่อย่างนั้นปฏิบัติธรรมเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นนะสติแล้นะอย่าไปเป็นน้องบอกได้ยินไหมเห็นอย่าเป็นมันเห็นมันสุขก็อย่าเป็นผู้สุขมันทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์เนี่ยเขือนดอกแล้วสุขทุกข์เขือนดอกแล้วไม่มีแล้วมีสติรู้ว่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 ทุกข์เห็นแล้วสุกเห็นแล้วทุกข์เห็นแล้วเห็นแล้วไม่เข้าไปเก็นแล้วมีจีพันจี่หมื่นข้างก็เห็นแล้วเห็นแล้วเรียกว่าอัญญาสิอัญญาสิรู้แล้วรู้แล้วนะในหัวใจเราเี่ไม่ต้องเขียนเป็นภาษาหนังสือเป็นอัญญาสิคือรู้แล้วนะเบาๆนะง่ายๆปฏิบัติทำนะ มันเป็นกอบเป็นกรรมมันมีการงานไม่ใช่ไม่มีงานมันใช่มันฟรียกมือขึ้นก็รู้ก็รู้หนังก็รู้ก็มีความรู้มันก็ไม่มีความหลงแม้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ปากรบขวามเห็นมันรู้อยู่มันก็มีความรู้เลยไปรู้เรื่อยไปถ้าไม่รู้มันก็ไม่เห็นหลงไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์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 วันทิศวันจันทร์วันคานวันพุธวันศุกร์วันเสาร์คือความรู้ดูน้อยดึงยีดสามสหเจดแปดเกสบเป็นความรู้ไม่มีการเวลาที่จะไม่มีความรู้เลยอากาลิกธรรมอ๋าคนเทียบง่ายไม่มีวันไหนวันไหนเป็นของอะไรของอะไร มีแต่ความรู้ไปเกินวันไม่แต่ความรู้ไปรู้ไปอย่างนี้ยไม่ได้อะไรเลยเราแต่ความรู้เราไม่เป็นความรู้มีอะไรแล้วก็สัมผัสโดอาจจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีความไม่หลงไม่ทุกข์ไม่สุกไม่ทุกข์ทันแล้วเมื่อมีความไม่หลงไม่สุกไม่ทุก แล้วก็ไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บวัญตายไปถึงโน้นไม่มีภพมีชาติไปถึงโน้นไปแล้วไม่ใช่ไม่ไปถ้ารู้มันก็ไปแล้วไปจากกลมลงนั่นแหละนี่จะไปถามใครให้ใครสอนเราใครก็ช่วยเราไม่ได้ก็ต้องสอนเราต้องแค่ใครต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง มันก็อยู่กับเรานั่นแหละควาหลงก็อยู่กับเราเราหลงเองความรู้ก็อยู่กับเราเราลู่เองตัวชั่วก็อยู่กับเราเรารู้เองอย่าให้มันเป็นใหญ่ให้ความรู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนความรู้เป็นธรรมเป็นอิจฉภาพเป็นมิตรภาพ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 มันรอดมันหนาวมันหิวเป็นทุกข์ยอมแล้วเหรือในความไม่ทุกข์ในความทุกข์มีบ้างไหมก็มีก็หัดชี้ต้องขัดตนสิ่งใดที่เคยเป็นทุกข์มีสติลงไปรู้มันจะต่างกับบ้างไหมมีผลไหมเป็นมากบ้างไหมต้องทุกข์ปวดไปได้บ้างไหมกี่เปอร์เซ็น ตอทุกข์สักเอร์นี่ยจะลดลงไหมสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอซนก็ปฏิบัติได้อยู่เอทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์แค่นี้ก็ทุกข์ก็สุขไม่ใช่แล้วไม่ใช่ชีวิตนะถ้าสุขต่ทุกข์ไม่ใช่ชีวิตเลยเป็นชีวิตที่ มีภัยถ้าเหนือฉุกเหนืทุกได้จึงจ่ายชีวิตของเราหเวทนามไมเป็นทุกสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นทุกอะไรไม่เป็นทุกมันก็ขันห้าน่ยว่าตโยะอุปท า, านนะขันทั้งห้าเป็นตัวทุกตโยเอวังปะหุลังสาบเจวินเอติเอวังพาตจจะปานาสสะปะกวาโต พรสงฆ์สาวกทั้งหลายลูกเรื่องนี้เป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงสั่งสอนสาวกทั้งหลายเรื่องนี้เป็นส่วนมากมันอยู่ที่ไหนอะจึงเราเนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้าหรืออยู่พระสาวกของไหนมันอยู่กับลูกกับดามเ่าเนี้ยตัวดาม ก, กายใจเราเนี้ยมันมีสัญญาสังขารวิญญาณตามก็มีวิญญาณหูก็มีวิญญาณ ตหูล่องตาไม่มีวิญญาณแล้วหูวหนวดหูบอดแล้วเอาแค่นี้เลยออันแล้วว่าไม่ทุกข์คือไม่ได้ยินนั่นหรือมันยังมีใจมีกายแมหูหนวกก็ยังมีทุกข์มีกิเลสอะไรอยู่นะตาบอด ก, ก็ยังมีนะสมัยหนึ่ ง, งตาเดินไปนาเขาจุงคนตาบอดมา เดินผ่านมามีต้นมะยมต้นหนึ่งอยู่นอกทางไปถนนมันมีืี้เลนขี่ตรงหลีกเข้าไปในในสวนเขามีผู้หญิงขึ้นต้นมะยมอยู่ผู้หญิงก็บอกเออใครพ่ อ, อมานี้่อยขึ้นต้นไม้คนตาบอดนะเขาจูงไปโอ้ยไม่เห็นลงตานะลงตาแบกจบมาแต่นะเขาคุยกับคนจูงเขาโอ้ ผู้สาวเด็กขึ้นต้นบังง้อเอโอ้เพราะเราตีนชินว่าหรอว่ามันสร้างใต่จิบเป็นยังไงล่ะว่าได้่องบังติตาบอดแล้วยังคิดเห็นเขาเหใช่ไหมตาบอดไม่มีกายมีใจไม่ชี่ิตตันหาอยู่น ะ, ะหู้หนวกก็ยังไม่ใช่มันต้องมีสติเข้าไปดูให้รอบโลทั้งหมดเลย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 มันธรรมชาติมันเป็นสัญชาติมีคนมันจึงมีมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีรูปในนามก็ไม่มีมรรคผลนิพพานมันเกิดมาเพื่อให้มีมรรคผลนิพพาน์รูปนามเนี่ยถ้าเอารูปนามไปก็เจ็เจ็บตาเฉยๆไม่คุ้มค่าแล้วขอบุญแทนคนพ่อแม่ไม่ได้เกิดมาตายเล่อนๆไปตลองให้เสียใจอยู่ มันไม่น่าจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมไม่พุทธศาสนาในพระพุทธเจ้ามีเหล่าพระสาวกมีธรรมมีมรรคผลมีได้ผ่านมีเจนสารของชีวิตของเราถ้ามีจะเปลือกแต่โมกคือกายเคยใจสุกสุกสุ ก, ท, กทุกอยู่มันเป็นเปลือกเป็นโมก มันไม่ทนในความสุกขก็ไม่ทนในความทุกข์ก็ไม่ทนอะไรเป็นเปลือกเป็นกะพี้เดีไปหลงให้มันลึกเข้าไปเกิดมันสุขให้มาทุกข์เข้าไปชั่งหน่อยทนชักหน่อยถ้าเห็นแล้วไม่เป็นก็ทนไปทนไปเพราะว่าที่ไม่เป็นเพราะว่าที่เห็นเนี่ย มันเป็นของที่ทนทานภาวะที่เป็นไม่ทนทานเปลี่ยนแปลงอยู่เรลยน่นก็เราก็มีอยู่นะชีวิของเราเนี่ยจะบ้างว่าหนุ่ว่าสาวจะร่างว่าแฉว่าเท่านั้นกันหมดจะมัลลักษณะคนแฉ่คนเท่าก็หลงเป็นปวดเป็นโุกเป็นทุกข์เป็นคนหนุ่มก็ปวดเป็นโศกเป็นทุกข์เป็น แต่หลงคนลวาว่าละหลงกันรูปคนแฉะคนเท่าอาจจะไม่หลงรูปรดกลินเสียงแต่มันหลงอีกแบบนางก็หนุ่มคนสาวก็อยู่ในรูปในรดในกินในเสียงหลงใหความรักความพอใจคนแกะคนเท่ารักก็รักแบบใหม่ไม่ลักเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวรักแบบใหม่ เหมือนต่างกันแต่ที่แท้คือหลงนั่นแหละถ้ารูแล้วก็ไว่าเชื่อว่าหนุ่มอันเดียวกันเลยไม่ว่าเพศใดบ่าวว่าใดระดีใดตาสหาใดนิกายได้ที่ว่าหลงเราเหมือนกันที่ว่าไม่หลงก็เหมือนกันนี่คือธรรมะมีอยู่ในชีวิตของเราที่มีรูปมีนามนี้ อยู่ศึกษารืนี้กันพวกเราไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรจะแปลออะไรถ้ามีความรู้สึกตัวก็ทั้งหมดแล้วของผมาจันยร์แ้ความรู้ก็ทั้งหมดแล้วของโลกไม่ยากต้องควรเจ้เวลา